มหากา็ุณาเสียงกันเช้าวันนี้ก็อยู่ที่ดอยธรรมนาวาไลาให้กับเนี่ยที่มาทำบุญกันศน <c oughs> นาทธรรมกันหลังเชา้า <c oughs> ที่มาถวายอาหาร <c oughs> ก็มีกิจวุตะที่จะต้องเดินทางก็เลยได้ระงรับการรักษาช่วงระยะเวลาหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นต้องเดินทาง <c oughs> มันเป็น นิมนที่ก่อนเข้ารับการรักษาแล้วที่รับไว้จึ่จะต้องไปตามที่รับนิมนไว้ก่อนเพราะรับไปก่อนหน้าหน้าที่จะเข้ารับการรักษาเสร็จจากนั้นก็ก็จะมาสู่การรักษาอีกถ้าคันเท่าที่ได้รับการรักษาค่อนข้างจะดีขึ้นมากมากด้วยดีขึ้นเยอะอ จะฟังกันเรื่องอะไรเสียงดังไหม ด, ดังอยู่เนาะติดอยู่ม ไ, ไม่บอกเลยจะฟังกั น, กนอะไรไมะเมตามตาไม่เข้าใจเขาว่าเมตตาตรงไหน ก่อนนี้ไลฟ์ครั้งก่อนนี้ได้ได้อธิบายคําว่าเมตตาไว้ใช่ไหมจะจะไปฟังตรงนั้นใช่ไหมได้ได้ฟังหรือเปล่าไลฟนะ์ไลฟ์ครั้งก่อนเนี่ยนะไลฟ์สุดแต่ได้อธิได้พูดเขาว่าเมตตาไว้ต้องย้อนกลับไปฟังคนที่มาติดตามที่หลังต้องย้อนกลับไปฟังวิดีโอเก่าๆบ้างนะที่ที่ถ่ายทอดเนี่ยคือเล่นเป็นหรือเปล่า f a c เฟ o บุกนะฮะ เขามีย้อนกลับไปได้ย้อ น, อนดูย้อนหลังอ่ะเลื่อนเอาเรืเลื่อนไปเรื่อยๆนะเฟสก็มีการถ่ายทอดกันอย่างนี้แล้วก็มีการอธิบายธรรมเกี่ยวกับเมตตาเกี่ยวกับนี่แหละหลักธรรมและมีการบ่นบ้างในบางเรื่องเป็นธรรมดาหลักผม ความเป็นเมตตานี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เป็นกิจวัตรของพุทธบริษัทด้วยเรื่องนี้นะเป็นเมตตาเนี่ยเป็นกิจวัตรของพุทธบริษัทเราสนใจแต่การทาวัดเช้าทาวัดเย็นแล้วก็แผ่เมตตาในตอนท้ายอ่ะท้ายธรรมัตรอหังสุขิโตโหมิมิทุโคโหมิ อวิโรโหมิอภยปโชโหมิสุขีอตานังปริหารามิเป็นบทที่มีไว้แผ่เมตตาตอนท้ายบทสวดมนต์ซึ่งเป็นบทที่คนวัดทั่วไปจะสามารถสวดได้ในบทนี้คือเราก็ต้องเข้าใจว่าบทสวดก็คือบทสวดความเป็นเมตตามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่บทสวดการกล่าว ในบทสวดถึงคำคำว่าเมตตาอาหารสุกิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคาว่าขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมตตาที่จะต้องใช้เมตตาตัวเองก่อนเพราะคาว่าอาหารสุกิโตโหมิมันระบุว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนจริงๆไม่ใช่การแผ่เมตตาให้ตัวเองเขาเรียกว่าทําจิตตัวเองให้มีเมตตาก่อนนะพูดง่าย ทำยังไงที่จะเป็นสุขก็จิตไม่คิดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายไม่มุ่งร้ายไม่ป่าธนาร้ายต่อคนอื่นจิตก็จะเป็นสุขการทําจิตให้เป็นสุขมันมีหลายบทธรรมที่วงทรงกล่าวสอนพระองค์ก็บอกว่าโกทางคาตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ก็คนที่ไม่มีความโกรธก็คือเป็นผู้มีเมตตาจิตนั่นเองเพราะเมตตาเป็นเครื่องแก้ความโกรธ เมื่อข้าวความโกรธได้ด้วยเมตตาความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าอาหารสุกิโตโหมีหมายถึงทําจิตตัวเองน่ยไม่ให้มีความโกรธคืออย่าไปเที่ยวโกรธใครความโกรธนันเป็นอารมณ์ที่มากระทบใจเรามันต้องมีอยู่แล้วอารมณ์ที่มากระทบเพราะอารมณ์เป็นเครื่องบ่งบอกและแสดงให้ทราบสาภาพที่เราเกี่ยวข้องและก็สัมผัสอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรมรมดาแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะโกรธตอบหรือเปล่าถ้าเราโกรธตอบเราก็ทุกข์ถ้าเราทุกข์อยู่แล้บอกอาหารสุกิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมันไม่ได้ เราพระเจ้าจึงบอกว่ากําจัดการปวดตอบนะโกทันคาตาวาสุ ข, ขังเสติผู้ข้าความกวดได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงคนเราจะมีความสุขได้ไง่ายๆโดยการที่ไม่โกรธใครๆหรือว่าตั้งจิตไว้เมตตาเองก็จะเกิดความสุขในความหมายของเมตตาที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามีเมตตาต่อตอนเองหรือว่าอาหัรสุกิตโตผมขอพระเจ้ามีความสุขนนะัก็คือว่าไม่ตั้งคิตที่คิดร้ายกล่าวร้าย ปรารถนารายว่าร้ายมุ่งร้ายต่อใครๆตัวนี้ไม่ประสงค์ร้ายในเรื่อง ใ, ใดๆต่อใครๆนี่นคือเมตเมตาคือความเป็นมิตรนั่นเองมิตรย่อมไม่ทําลายมิตรด้วยการทําร้ายกันไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจารหรือใจตัวนี้เป็นเรื่องของควา ม, วามการแสดงออกถึงความเป็นมิตรลักษณะของเมตตาเป็นลักษณะของการตั้งจิตคือจิตเรามันสามารถตั้งได้พระยอดจึงสอนให้ตั้งตั้งจิต คิดแผ่ออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายคือจิตเรามีความสุขโดยการที่จิตเราไม่เบียดเบียนใครๆจิตเราไม่ว่าร้ายไม่มุ่งร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ปรารถนาร้ายต่อใครๆแล้วความวุ่นวายในใจมันก็ไม่มีความสงบระงับมันก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะปรากฏแล้วก็แผ่ออกไปแผ่อานาจแห่งไมตรีจิตนี้ไปถึงแก่เราสรรพสัตว์ก็ซาเพสตาสุกิตาหุนตุขอเราสรัตว์ทั้งหลายก็จงเป็นสุขแบบข้าพเจ้านี้ เราต้องเห็นความสุขในตัวเองก่อนเราถึงจะสามารถแผ่ไปได้แต่ถ้าเราไม่เห็นความสุขในตัวเองมันก็ไม่สามารถแผ่เมตตาไปได้แล้วการที่จะเห็นความสุขในตัวเองนั้นแล้วเราต้องกําจัดความโกรธไม่งั้นเราไม่เห็นความสุขในจิตถ้าเรายังกําจัดความโกรธไม่ได้นะมันไม่มีทางเจอความสุขความกลัวก็เป็นรากฐานความโกรธเออความใช่มาจากความโกรธอย่างหนึ่งความกลัวเป็นโทสะเองนะคนเรามีความกลัว มันเป็นราดทานของโศกยังไงกลัวก็คือการที่เราไม่ต้องการให้ตัวเองไปเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีคือความกลัวกลัวยงไงกลัวสารพัดกลัวบัตรจึงเกิดการปกป้องตัวเองการปกป้องตัวเองน่ยมันกระทำด้วยแรงอํานาจแห่งความกลัวนะเป็นโศกตรงนี้เพราะฉะนั้นความกลัวแบบเป็นการขาดเมตตาอย่างหนึ่งนะกลัวเขาบอกว่าขาดเมตตายังไงก็กลัวคนทุกคนก็ต้องมีความกลัวอยู่แล้ว ก็คือไม่เมตตาตนเองนั่นเองทำให้ให้จิตตัวเองมีความกลัว้องแผ่เมตตาออกไปในที่ในที่ที่เรากลัวในสิ่งที่เรากลัวในอารมณ์ที่เป็นที่น่ากลัวหรือบุคคลที่น่ากลัวหรืออะไรก็ตามที่เรากลัวกลัวลองแผ่เมตตาออไปพิสูจนะในคราฟพระพุทธการเองก็ไปสู่ป่าป่าช้าเทวดาทั้งหลายเห็นพิสูจผู้ทรงศีลมาสู่ถิ่นของตนก็เลย ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในวิมานของตนที่ต้นไม้ในป่านะั้นวิมานก็เลยลดลงมาอยู่ที่พักพื้นดินความเป็นอยู่ของเทวดาก็เดือดร้อนเดี๋ยวก็ขึ้น<ส>เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงวิมานมันไม่สามารถสถิตอยู่ในฐานะของตนเองมันต้องเลื่อนลงด้วยอํานาจของศีลของพระพิสุทธ์ที่ไปสู่ป่านะั้นเทวดาทั้งหลายก็เดือดร้อนไม่ไม่สามารถอยู่ในดํารงอยู่ในวิมานของตัวเองได้ก็เลยคิดกันอยู่ว่าทํำยังไงถึงจะให้พิสุทธ์เหล่านี้ หนีออกไปจากถิ่นของตัวเองก็เลยรวมหัวกันคิดว่าเราจะต้องทํารูปร่างอันน่ากลัวทําเป็นผีหลอกนะพูดง่ายรูปร่างอันน่ากลัวปลากรวดต่อพิสูจเหล่านี้ก็เลยแสดงรูปร่างอันน่ากลัวปรากฏวด่ิสูจเหล่านี้เห็นพิสูจนเหล่านี้เห็นเทวดาที่แสดงออกมาเป็นรูปร่างที่น่ากลัวก็เข้าใจว่าเรามาอยู่ป่าช้าเนี่ยผีมาหลอกเพราะผีมาหลอกเพนหนีกันเลยที่นี่พิสูจพาะรูปป่วยเป็นไข่จับจับไข้เลยนะ ก็เป็นเล่าเร่อนี้ให้คุณพเจ้าฟังโ่สาธุพระเจ้าข้าข้าพงศ์ไปอยู่ในป่าป่าช้าที่วงจบบอกให้ไปนั่นแหละผีมันมาหลอกข้าพระ อ, องค์ไงทำไงพระเจ้าข่าข้าวง์ไม่กล้าเข้าไปอย่างเง้วพระเจ้าเลยบอกพี่สุทั้งหลายเธอจงแผ่เมตตาในที่ที่น่ากลัวนะเพ่แผ่เมตตาไปถึงเราเทวดาและสัตว์สาททั้งหลายที่อยู่ที่นั่นเนี่ยความกลัวมันเป็นโทศกอันหนึ่งไงเข้าใจไหม <c oughs> คือเราไม่มีความสุขมันเป็นมันเป็นการแสดงออกถึงการปกป้องตัวเอง หรือว่าไม่ต้องไม่ให้ตัวเองไปเจอกับสิ่งที่มันน่ากลัวเป็นการกระทาตอบต่อสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นการแสดงออกในความโกรธในลักษณะของการหลบหลีกแต่ไม่ใช่แสดงโทรศัในการก้าวร้าวหรือว่าแสดงอารมณ์กลัวตอบอะไรพวกนี้แต่ก็ที่จริงก็เป็นการกระทำตอบอะไรแต่จริงมันเป็นเป็นหลกฐานอันหนึ่งคนกลัวมากๆสามารถฆ่ากันได้นี่นะกลัวๆจนฆ่ากันนะ้รบบางทีแต่ละประเทศ ที่มีปัญหากันอยู่ในเวลานี้จีนกับสหรัฐอเมริกาก็ก็กลัวกันอยู่นั่นแหละกลัวคนทางสหรัฐจะมาอะไรตัวเองอะนะลำ้ำล้ำดินแดนเหรอคือจะมีการคืนดินแดนอะมันจริงๆโดยโดยทางธรร ม, มชาติแล้วดินแดนไม่ไม่แ บ, งแบ่งแงยกใครอะแต่ว่าเรามาแบ่งแยกมนุษย์เรามาแบ่งแยกดินแดนทีนี้การกาหนดหมายเขตแดนดินแดนในทะเลยังไม่ไม่ชัดเจนว่าเป็นถิ่น ที่อะไรของใครในนี้มันก็เลยมีปัญหาตามที่อ่านข่าวนะไม่รู้ว่าเนื้อข่าวเป็นยังไงที่แท้จริงอ่านพันๆพอมายกเป็นตัวอย่างไม่ทราบ่ะความกลัวเป็นโทรศัพท์สามารถจะฆ่ากันได้ทิ้งขู่กันแล้วทุกวนันนี้เอาขีปนาวุธโชว์กันเนี่ยอวนอย่างไรความกลัวนะเนี่ยกลัวจะมีการลุกล้ำดินแดนกันนี่แหละมันเป็นโทรศัพท์อย่างหนึง่งเราไม่รู้บางคนไม่เข้าใจเป็นโทรศัพทอ่อนเล็กๆแต่ก็นําไปฉูโทรศัพ์ใหญ่ๆได้ คนที่ยังมีความโกรธอยู่คือยังขาดเมตตาเพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นในใจในขณะใดก็ตามให้เรารีบดับความโกรธหรือรีบฆ่าความโกรธนั้นฆ่าไปเทอาความโกรธนั้นไม่ติดคุกติดตารางหรอกแต่ฆ่าคนอื่นนั้นมันติดคุกติดตารางเราไม่ต้องไปลังเลตามหลักคำขออุองค์งงให้ใช้เมตตาในการแพ่แพ่แไปเลยแพ้ไปถึงบุคคลที่เราโกคครธแพ้ไปถึงบุคคลที่เราเกลียดแพ้ไปถึงบุคคลที่เราไม่พอใจแพ่ไปถึงบุคคลที่ทําให้เรา เกิดความขัดเคืองแพร่ไปถึงคนที่ขัดขวางการงานเราแพรไปถึงคนที่อิจฉาลิษยาเราแพรไปถึงคนที่มีพึงพอใจในสิ่งที่เรากระทาแพร่ไปทุกที่แพรไปถึงนึกถึงหน้าเขาไปเลยนึกถึงหน้าแล้วก็แพรว่าขอให้เขาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เขาอย่าได้มีเวรต่อเราและเราอย่าได้มีเวรต่อเขาขอให้เขาอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจะก็อย่าได้เบียดเบียนเขาขอให้เขาจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกทั้งปวงเถิดข้าพเจ้าก็รักษาตนเองให้พ้นจากทุกทั้งปวงเหมือน เขาก็จงเป็นผู้รักษาตนนิคนจากทุกเหมือนกันแพ้ไปเลยเอารมณ์เห็งความโกรธอารมณ์เห็งความไม่พอใจจงเกลียดยงชังนมันเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาจฉรกรรับรับอยู่ภายในนั่นเนี่ย mm hmm. เราเราคิดที่จะมุ่งร้ายคนนั้นมุ่งร้ายคนนี้เป็นการทาอาชญริกรอยู่ภายในจิตไม่รู้ตัวการแผ้เมตาไปเพื่อกําจัดอาจฉรกรเหล่านั้นที่มันกําลังก่อตัวขึ้นในจิตเรานั่นคือ มันทําให้จิตใจเราไปสุขการที่มีคิดไร้มุ่งไร้าต่อใครมันเป็นสุขจริงๆเอาไม่เชื่อก็ลองดูสิใครคิดไร้ามุ่งไร้ต่อกันมันนอนหลับอยู่สบายดีไหมลนะ่ะ <c> พ <oughs> อใจไหมเพราะฉะนั้นให้รู้ให้เข้าใจกันให้ให้ให้ใหนำธรรมะ ข, ของพระุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าสวดอาหารสุกิโตโหมวิอาหางสุกิโต โ, โมหตโโมวิอย่างนั้นนะขอให้พระพเจ้ามีความสุขจะ ม, มีความสุขได้ยังไงจิตไม่ยอมวางไม่ยอมคายจากอารมณ์แห่งความโกรธแห่งความการเพยงโอดกันและกัน เพราะฉะนั้นแล้วอย่าสักแต่ว่าสวดหรือว่าท่องไปเปล่าๆตามลมปากทําทจิตให้มันเป็นสุขจริงๆแล้วค่อยแผ่ความสุขนั้นไปถึงแก่สัตว์ระสาททั้งหลายว<ม>ิธีง่ายๆเลยอ่ะวิธีง่ายๆคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขแม้เขาเองก็จงมีความสุขด้วยเน<ม>ี่ยคอยข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์แม้เขาเองก็จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ด้วย ขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรต่อใครใครและใครใคก็จะได้มีเวรต่อข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจะได้เบียดเบียนใครๆและใครๆก็จะได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนเองให้พ้นจากทุกข์ไทั้งปวงเถิดแล้วเขาทุกคนใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงรักษาตนเอให้พ้นจากทุกข์ไฟทั้งปวงเถิดคิดอย่างนี้คิดไว้เรื่อยๆคิดไว้อยู่สมเสมอคิดตั้งไว้อยู่ในจิตในใจอยู่เป็นประจำเดี๋ยวก็ มันจะระงับดับของมันเองเนี่ยอารมณ์แห่งความโกรธก็จะระงับดับแล้วก็จะมีความสุขจิตจะสบายสบายจริงสบายมากตั้งจิตไว้ย่างนี้เสมอจริงๆมันกิตของภิกษุแล้วก็ชาวบ้านควรพึงกระทําต่อกันและกันเป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะถ้าหากเราปล่อยให้จิตของเราเกิดการเพ่งโทษจับผิดจงเกียรตจงชังกันเกิดขึ้นอยู่ภายในแล้ว มันอยู่ไม่เป็นสุขหรอกอยู่ร่วมกันก็ไม่เป็นสุขเข็นหน้ากันก็ไม่เป็นสุขแม้จะมีความคิดอยู่ในในไม่ได้แสดงออกมาก็มันไม่เป็นสุขอ่ะมันก็กระทบจิตอยู่ตลอดเวลานัเนี่ยเห็นกันก็กระทบจิตอยู่ตลอดเวลามาทําไมวะคนนี้เก็คิดกันอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่ข้างในแหละตัวเองก็รู้ตัวเองรู้เออารมณ์ภายในตัวเองรู้คําด่าในตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยนั่นเรารู้ในตัวเราแล้วก็ทุกอย่าตัวเราแล้วก็ แบกรับความทุกข์อันนี้ภายในตัวเองเพราะฉะนั้นกําจัดมันออกได้ก็กำจัดออกไปเถอะโลกเราทุกวันนี้มันเดือดร้อนเพราะว่าขาดเมตตากันเพราะไม่คิดปรารถนาดีต่อกันอะไรก็วางได้ก็วางปล่อยได้ก็ปล่อยอย่าไปยึดถือไว้มากมคนเราไม่ดีมันจะปดกันถึงวันตายอยู่เหลอจะเก็บไว้เป็นความทุกข์ทำไม ถ้าโกรธตอนไปจนถึงมันตายเนีย่ยอันตรายมากเลยนะนําไปสู่กมดสัตว์ในชันเป็นอย่างต่ำเปรพีปีศาจอสุรกายนรกนเป็นอย่างหนักเลยนะสําคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้จิตไปผูกไว้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ไม่มีตัวตนอย่าไปยึดถืออารมณ์มันนั้นไว้ปล่อยให้มันผ่านไปชีวิตคนเราหาใช้ชีวิตเหมือนกับลมหายใจจะมีความสุขมากที่สุดมันเป็นยังไงชีวิตเหมือนกับลมหายใจ เวลาลมหายใจมันเข้ามันก็ต้องออกอะไรก็ตามผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาแล้วก็ต้องให้มันออกไม่ใช่เอามันไว้ไปยึดมันไว้ไปจับไปยึดถือไปเก็บมันไว้เป็นห่วงเหนียวมันไว้ไปแบกอารมณ์ไว้ก็ไม่เจอความสุขสักทีไม่รู้จักการปล่อยวางออกทําแบบลมหายใจนี่มันเข้ามาแล้วก็ต้องปล่อยมันออกไปลมหายใจเข้ามาแล้วไม่ยอมปอยมันออกไปมันเป็นยังไง อึดอัดอยู่นั่นแหละทุกข์อยู่นั่นแหละทรมานอยู่นั่นแหละพอปล่อยได้มันจะสบายอ๋อปล่อยมันออกถึงจะสบายชีวิตจึงอยู่ได้เพราะรู้จักเอาลมหายใจเขา้าแล้วเอาลมหายใจออกมันจึงพออยู่ได้มันจึงพอเป็นไปได้แล้วพอสบายอยู่ได้แต่เราไม่รู้จักปล่อยอารมณ์ออกไปมันก็เลยอึดอัดแล้วทุกข์ทรมานอยู่ย K, ในหัวใจของตัวเราจึงมีคำสอนให้พเราปล่อยวางปล่อยวางแต่พวกเราไม่ค่อยจะปล่อยวางกันเท่าไหร่เพราะปล่อยกันไม่จะถูกวางกันไม่ค่อยจะเป็น ก็ไม่ร hmm. ู้เป็นเพราะอะไรทําไมไม่รู้จักการวางกันอะไรที่มันหนักอะไรที่มันมันทุกข์มากยิ่งทุกข์ทำไมยิ่งยึดยิ่งหนักทําไมยิ่งแบกมันเป็นเพราะอะไรกันไม่รู้จักการวางถ้าเรารู้จักการวางแบบลมหายใจเรานั่นแหละวางคือปล่อยมันออกไปตามธรรมชาติของมันเข้าออกเข้ามาตามธรรมชาติของมันปล่อยก็ปล่อยออกไปตามธรรมชาติของมันแค่นี้เองไมมีอะไร ดูลมหายใจที่เข้าออกในร่างกายเราเนี่ยเราแทบจะลืมมันว่ามันเป็นเครื่องสอนใจเราอยู่นะก็แนะนำการใช้ชีวิตที่จะนำมาซึ่งความสุขในส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องไปรอให้ใครมาบรรดาลให้ไม่ต้องไปรอให้เทพเจ้าไม่ต้องรอให้พระอิศวรไม่ต้องรอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบรรดาให้ชีวิตเรามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเพิ่อแสดงว่าตอนนั้นมันทุกเต็มที่ใช่ไหมทุบไปทุบมันอย่างไรไปขอให้มีความสุขพุทเจ้าบอกก็ก็แก้มันดิไอไอไอทุกที่มีอยู่ก็แก้มันดิดับมันดิเหตุมันมีอยู่ก็ดับเหตุมันดิเมื่อสุขเองไม่ต้องไปขอใครหขอให้ข้าพเจ้าจึงเจอควจงเจ อ, จ ง, เ จ, อจงประสบแต่ความเจริญก็สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ประสบแน่นอนไม่ต้องไปขอ ไปใช่ไหมศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาขอศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญาสอนให้ปฏิบัติสอนให้ดาเนินชีวิตตามเหตุแห่งการกระทาการทำอะไรเป็นเหตุสมผลมาย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นนี่เป็นสัจจเป็นความจริงเพราะนั้นเหตุที่เป็นมูลก่อความทุกข์ให้กับเราไม่ใช่เหตุมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออานาจหนือธรรมชาติบันดาล และไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ไม่พ้ไม่ใช่พระอีศวรไม่ใช่พระผบบาลิกิตชีวิตให้เราไปเจอแต่แต่สิ่งมันมาจากมูลเหตุแห่งความทุกข์มาจากมูลเหตุแห่งกรรมที่เราเคยกระทําที่เป็นตัวเหตุที่สร้างไว้แต่ปางไหนก็ไม่รู้แหละเราก็ยอมรับตามนั้นสิอยไปทุกไปกับมันยอมรับตามที่มันเกิดมันมีมันผ่านเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นเครื่องเตือนสติสอนใจเราอีกว่าอ๋อพอมีเหตุมาอย่างนี้จึงนํามาซึ่งผลอย่างนี้เราจาก เราจะเว้นจากเหตุอันที่มาให้ผลในด้านล้าเรามันเป็นเครื่องสอนเราอยู่แล้วชีวิตของเรามันผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์มาทั้งดีทั้งไม่ดีมาทุกอย่างมันมาตามเหตุมันมีเหตุมันจึงมีมาให้ได้รับผลเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเว้นจากเหตุนํามาซึ่งผลอย่างนี้เราไปสร้างเหตุแห่งการนํามาซึ่งผลที่ดีความโกรธก็แก้ด้วยเมตตาเหตุแห่งความโกรธก็คือการเพ่งโทษเมตตาคือไม่เพ่งโทษปรารถดีต่อกันเพ่งดีต่อกันไม่ใช่เพ่งโทษต่อกัน มันก็แค่นี้มันก็เหตุมันก็มีปัจจัยส่งผลเกี่ยวเนื่องเราสามารถดับทุกข์ภายในตัวเราได้ไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมาดับผู้เจ้าบอกว่ามันเป็นศักยภาพอันหนึ่งของมนุษย์เป็นคุณภาพชีวิตที่มนุษย์ควรจะสร้างขึ้นเป็นคุณค่าของตัวมนุษย์เองที่ดับทุกข์ได้ด้วยตนเองการที่ให้คนอื่นมาดับทุกข์ให้เราให้สิ่งสักด์สิทมาดับทุกข์ให้เราให้พลังอานาจเหนือทางธรรมชาติมาดับทุกข์ให้เราให้พระผู้เป็นเจ้ามาดับทุกข์ให้เราให้พระพมาดับทุกให้เรา นันไม่ใช่การใช้ศักยภาพที่แท้จริงมีตัวเองเองไม่สามารถขึ้นพาตัวเองได้เราก็จะทุกอยู่ลําไปเราก็อยู่กับการอ้อนวอนร้องขอเพราะหางชีวิตเราไม่เจอกับความสุขแล้วเราก็จะอ้อนวอนอยู่แนั้นแหละขอให้เจอกับความสุขขอให้เจอกับความสุขแล้วก็ทุกขอยู่อย่างนี้ทุกอยู่การอ้อนวอนแล้วก็เอาใจอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาการสวดมนต์จึงเป็นเพียงแค่การกล่าววาจาที่ที่เราทำเปเป็นกิจวัตร ตามแบบประเพณีประเพณีที่ดำเนินตามกันมาที่เป็นเรื่องคุ้นเคยแต่โบราโบราณเราเข้าใจว่าสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีอาตมาไม่ได้ไม่คือโดยส่วนตัวนะขอพูดว่าโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยอันนี้ไม่ได้พูดปรามาสอะไรกับผู้ที่สวดมนต์อยู่แต่โดยส่วนตัวที่เห็นแล้วเห็นประจักษ์ชัดแล้ว อาตมานี่ก็นักสวดเหมือนกันไม่ใช่ไม่สวดนักสวดท่านแต่เป็นการสวดด้วยการพิิจพิจรารณารู้ในสิ่งที่สวดจึงรู้ว่าการที่นําบทสวดแต่ละสวดบทสวดแต่ละบทนั้นมาทําความเข้าใจไข้ครวร ด, ด้วยปัญญาพินิจพิเคราะห์โดยเอาเนื้อหาแห่งบทสวดนั้นมาตีประเด็นแต่ละประเด็นเอาเอา ประเด็นที่เราสามารถตีแตกด้วยปัญญาหรือคบคิดด้วยปัญญานะํ่ยนมาสู่การปฏิบัตินั้นได้ผลมากกว่าการที่อยู่กับแค่บทสวดมันดีแต่เป็นความดีที่ที่ยังไม่จริงบทสวดแต่เราบทมันดีไงบงคนบอกสวดมนต์แล้วดีดีแต่ยังไม่จริงเพราะมันต้องสวดอยู่เรื่อยภิกษุใดขาวความพุทธการท่านสวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์เพื่อสวดเป็นกิจวัตรนะ คือทําเป็นกิจวัตรก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่สวดเพื่อตามธรรมเนียมประเพณีท่านสวดทรงจําคําสอนของพระเจ้าและสาธยายพร้อมกับเพลงพิจพิจารณาในบทแห่งธรรมที่ท่านได้สวดพินิจพิณาไปเรื่อยๆจนถึงข่าวจิตสิ้นอสวกิเลศพอจิตสิ้นอสวกิเลศแล้วไม่สวดต่อหยุดกิจของการสวดไม่มีอีกนั่นคือการสวดแบบมีปัญญาไม่ใช่สวดแบบมุมไงสวดกี่ปีก็สวดอย่างนั้นหรอสิปี20สปี30สปีก็สู้วัดอยู่นั่นแหละ ไม่เคยแตกฉานไม่เคยรู้เนื้อหาแห่งธรรมในบทที่สวดเลยพิสูจนั้นก็หยุดสวดเพราะกิจของการสวดไม่มีอีกแล้วเพราะรู้บรรลุถึงบทธรรมเนื้อหาแห่งธรรมที่สวดนั้นแล้วพอบรรลุถึงบทหาบทบทธรรมเรืเนื้อหาแห่งธรรมที่สวดนั้นแล้วก็ <c oughs> เลิกทันเองเทวราสถิตอยู่ที่รอบรอบกุฏิที่พระพิสูุอาศัยอยู่ในลาวป่านั้น่ะก็สงสัยว่าเอ๊พิสูุรูปนี้วันนี้ทําไมไม่มสวดหมดทุกคราวเห็นสาธยายได้สวด อยู่เสมอไม่เคยขาดวันนี้ทําไมไม่สวดศงสัยพิสูจนนี้คงจะขี้เกียจแล้วมัน่นก็เลยมาปรากฏตัวให้พิสูจนที่เห็นท่านผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะนะแล้วอาศัยอยู่ในลาวป่าบําเพ็ญสมรธรรมจะแสดงออกถึงบุคคลผู้เกียดขานไม่ได้ท่านพึงสาธยายมนบทที่ท่านเคยสวด น, นั้นเทวดามฟังแล้วมันพอใจไงเมัมันมันเห็นพระสวดแล้วมันมันดีใจด้วยไงมันดีว่าโอ้พระอันนี้อะไร สวดมนต์ให้ให้มั น, ม, นมันเป็นเครื่องลื่นลมสำหรับมันเทวราตัวเนี้ยเหมือนกันแหละที่เขาบอกว่าคนที่สวดบนต์เทวราชสรรเสริญเทวราชพอใจเทวราชยินดีอันนั้นเป็นเทวราชง่วโง่ที่ยินดีไม่ใช่เทวราที่ฉลาดพระภิกษุองค์นี้ก็บอกว่ากิจของการสวดของเราไม่ดีเอา้าทําไมกิจของการสวดท่านไม่มีละ่ะท่านเป็นผู้ละเลยความเพียรแล้วหรือท่านเขาบอกว่า กิจที่เราจะต้องสวดไม่มีก็เพราะว่าเราได้รู้เนื้อหาแห่งธรรมแห่งบทสวดนี้แล้วมันไม่มีกิจที่จะต้องไปสวดอะไรอีกแล้วเนื้อนะเนื้อหาแห่งธรรมอันที่เราเข้าถึงนั่นนะทำให้เราบรรลุแล้วเรียบร้อยเทวดานี่ก็โอ้ภิกษุเป็นผู้ถึงสิณสวกกิเลสด้วยประการชนิดอย่างนี้นี่นี่เองก็อนุมโมทนาในการบรรลุโดยเข้าใจพระเจ้าจึงบอกว่าไม่ควรสวดหรือท่องบนตลอดการเป็นนิพนธ์ เพราะนั้นเทวดาที่ทั้งหลายที่จะติดอยู่กับบทสวดเนี่ยเป็นพวกเทวดางมงายเท่านั้นแหละต้องรอคนมนุษย์สวดตัวเองจะสวดไม่ครับค่อยได้ตอนเป็นมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ที่ชอบสวดมนนั่นแหละพอตายไปก็เป็นเทวดาที่ติดอยู่การสวดมน์ด้วยความดีบางอย่างในความดีที่การทําก็ไปเป็นเทวดาที่ติดอยู่การสวดมน์แต่ไม่บรรลุถึงเนื้อหาแห่งธรรมถ้าไม่บรรลุถึงเนื้อหาแห่งธรรมก็บทสวดก็ก็ได้แค่ การพูดด้วยลมปากที่สวดกันไปงมงืมเงือมันไปก็แค่นั้นเองไม่ประโยชน์หรอกเป็นเทวราก็เป็นเทวราชั้นต่ำไม่เหรชั้นสูงอะไรติดอยู่บนสวดเนี่ยขอให้เข้าใจนะมันมันศาสนาพุทธมันมีอะไรที่มากกว่านั้นศาสนาพุทธมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นศาสนาพุทธมันมีอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นเอาที่มันยอดเยี่ยมเลยที่ศาสนาอื่นพวกก็สวดกันไม่เห็นมีดีอะไร มันก็พอๆกันนั่นแหละพุทธศาสนามันไม่ได้เทียบกับศาสนาอื่นๆในโลกเทียบไม่ได้หรอกของเรามันพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความยอดเยี่ยมยิ่งกว่ายอดเยี่ยมนี้คือพูดออกมาจากความจริงที่ได้ประยักชัดที่ว่า ย, ยอดเยี่ยมนั่นแหะไม่ใช่มาพูดยกย อ, ยอสรรเสริญปอปั้นศาสนาของตัวเองศาสนาของตัวเองที่เฉลยเพราะรู้ชัดเห็นชัดประจักษ์ชัดในใจของตอนตเองอย่างแจม่มแจ้งจึงสามารถกล่าวได้ บอกว่าอยอดเยี่ยมเป็นอนุตตโลงเป็นสิ่งที่สูงสุดควรค่าแก่การประพฤ้นปฏิบัติตามให้ถึงความสูงส่งของศาสนาเพราะฉะนั้นการติดอยู่กับบทสวดยังเป็นการยังไม่เข้าถึงเปลือกของศาสนาเลยซ้ำยังอยู่นอ ก, น อ, กอยู่ศาสนาอื่นเขาก็มีกันอยู่ก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันและจะมาบัญญัติเพื่อศาสนาในเรื่องของการสวพดพนตอยู่มันจะมาบัญญัติเหมือนกับศาสนาอื่นไว้ ก็มันอยากเรียนแบบกันทำไมไม่เป็นไรมันได้ให้เข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้เรียนแบบให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาของความมีปัญญาเป็นเอกเทศเป็นปัจเจ ก, กับเฉพาะเพราะว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้ต้องการที่อยู่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปในกาลนานเป็นศาสนาที่อยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวใครมีบุญก็ได้เจอไม่มีบุญก็ไม่ได้เจอนี่คือความสําคัญที่สุด อีกไม่นานเนี่ยพุทธศาสนาจะหายไปจากโลกนี้แต่สืบเรื่องกันมา 2,500 กว่าปี560ปีนี้ในสืบเนื่องกันมาแล้วแล้วก็อีกไม่นานอ่ะ 2,500 กว่าปีอีกก็จะหมดนะไม่เหลือแล้วจะเอาประโยชน์จากศาสนาดได้ก็เอาตอนนี้ตอนที่ยังมีอยู่นี่แล้วไอ้เท่าที่มีอยู่นี่ก็ร่องรอยศาสนาดเดิมก็แทบจะไม่มีให้เห็นกันัเท่าไหร่บิดเบือนกันมาไปมากไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ จึงทำให้ต้องมาพูดกันอยู่ที่นี่เลยว่าความเป็นสัจจคแห่งศาสนานั้นมันงดงามอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไม่ไดอยู่แค่การทําประกอบพิธีกรรมการสวดมนต์เส้นสวงกราบไหว้บูชากันอยู่นั่นบูชาเทพบูชาพรมหากจะไหว้เทพให้ไหว้พ่อแม่ดีกว่าพ่อแม่เป็นประดุจ ด, ดั่งเทพเพราะเป็นผู้ให้กําเนิดเป็นผู้ท่องนมเลี้ยงเลี้ยงดูให้เราจเจริญเติบโตใหญ่มาให้ข้าวให้น้ําเรา เทพบูชาจุดไหว้มันเท่าไหร่ไม่เห็นมันให้ข้าวให้น้ําเราเท่าไหร่เห็นมันดานอะไรให้มีแต่เส้นของเลี้ยงไหว้มันม น, นั้นนะมันยังหากินเองยังไม่เป็นเลยไปเลี้ยงมันมันจะมาช่วยเราได้ยังไงที่เทพเน่ยถ้าจะไหว้พรมก็ไหว้พ่อแม่ดีกว่าใครที่เลี้ยงพ่อปมอยู่รู้หรอเปล่าพรอปมกินอาหารอะไรอดีตการ์ก็มีในพัด ส, สูตรของพระพุทธเจ้านี่ อดีตการที่เหล่าพรมทั้งหลายบูชาพรมเอาข้าวมาทุกปลายาเอาเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ้งไปเส้นสวงเส้นไหวสําเวยแก่พระพรมพระพรมที่อยู่พมโลกเห็นอาการของพราม์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยต้องการที่จะแสดงออกให้ทราบให้เป็นที่ประจักษ์กับชนผู้มงมไงว่าพรมทั้งหลายเขาไม่ได้มากินอาหารของเส้นสวงเส้นไหวยอย่างนี้หรอก ก็เลยมาปรากฏตัวอยู่ที่มนุษย์โลกนี้แล้วก็มาปรากฏให้กับพรามทั้งหลายผู้กําลังเส้นสวงเส้นไหวบูชาอยู่ก็เลยถามว่าพราม์พานท่านทําอะไรพรามอันนี้ก็บอกว่าเรากําลังถวายอาหารแด่พระผู้เป็นเจ้าคือพระพรมท่านรู้หรือว่าพรมบริโภคอาหารอะไรพวกเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าพรามในคราวก่อนๆบูชาพรมกันด้วยวิธีการนี้เข้าใจว่านี่คืออาหารของพรมพรมตัวนั้นก็บอกว่า เรานี่เองเลยคือมหาพรมอาหารพวกเนี้ให้สามารถถึงพรมได้หรอกพรมเหล่านี้ไม่กินอาหารพวกนี้อาหารพวกพรมไม่ได้กินของพวกนี้เขากินชานกันนู่นเขากินเมตตากันนู่นอาหารพวกพรหมเขาเป็นชานเมตตาชานอย่างเงี้ยแห่งเมตตาไปที่มันถึงพรมอยู่แต่มเส้นสวงเส้นไห้ที่อาหารพวกเนี้ไม่ถึงแล้วพวกท่านะคนควรที่จะไปเส้นสวงเส้นไหว้ผู้เป็นพรมยิ่งกว่าพร ถามเท่าไรก็บอกว่าเอ้าใครเป็นพรมยิ่งกว่าพรมก็ลูกท่านนั่นแหละไปบวชในสมณโคดมลูกชายท่านนั่นไปบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุถึงสินสักกิเลสเป็นพรมยิ่งกว่าพรมแม้แพรมก็ยังกลาวไหวพระรูปนั้นถามพวกนี้ก็เลยเกิดความตกอกต ก, ตกใจแต่ก่อนที่ปฏิเสธลูกชายตัวเองมาตลอดเขาใจว่าลูกชายตัวเองไปนับถือฤทธินับถือศาสนาดอกฤีธนับถือสมณโคดมสมณะลบนผู้ ประพฤติวัดนอกลีดจากนักที่ประพฤตินอกลีดจากประเพณีขนมธราวเมียมของเหล่าพรางทั้งหลายมาแต่บบราณโบราณดั้งเดิมเพราะฉะนั้นของดั้งเดิมนี่ไม่ใช่เครื่องที่จะวัดว่าเป็นสิ่งที่ถูกเสมอไปในสังคมเราเราถูกอบรมมาสั่งสอนในเรื่องเราใดๆมานำมาพิจารณารว่าสิ่งนั้นเข้ากับเหตุผลไหมถูกกฎสัจธรร า, ษษารไหมอย่างพุทธศาสนาสอนให้เราได้เข้าใจอย่างนั้น ไม่ได้สอนให้เรายึดถือตามแบบงมงายแล้วเชื่อถือตามใครพาทําอะไรมาพ่อแม่ปู่ย่าพาทํามาก็ทํากันไปอย่างนั้นไม่ลืมปู่ลืมตาเลยมีเงยหน้าเงยตาขึ้นมาก้มหัวกะใบู้กพ่อแล้วก็ก้มหัวกะใบกันอย่างงั้นไม่เคยมองขึ้นมาดูว่าผู้ทีเจ้าทรงสอนให้ประขึ้นอย่างไรตามหลักของศาสนาองค์ทรงวางแนวทางแบบปฏิบัติในทางศาสนานี้อย่างไรไม่เข้ามาศึกษาไม่เรียนรู้ก็ได้แค่ความงมงายแล้วน่ยติดไปในจิตเป็นเทวดาก็เทวดางมงาย ไปเป็นพรมก็ไปพรมงงงายเป็นผ the you know? ีเป็นผีงงงายเป็นเปรตก็เป็ตงงงายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานงงงายไปตกนรกก็ตกแบบงงงายกูบอกตกได้ยังไงวะงงเนียกูเองสวดมนต์อยู่มาตกได้ยังไงเนี่ยงให้อ้กูมาเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงกูก็สวดมนต์อยู่เนีเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์งงงายไอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดปรามาสคนที่สวดมนต์นะพูดแสดงออกในเชิงทัศนะของพุทธศาสนาที่เป็นอย่างนี้และก็เป็นความเห็นของ ตนเองที่คิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ถูกมันก็ไม่ได้ว่าถูกแต่คิดเป็นเครื่องเสนอให้นำไปขบคิดกันที่ผู้รับชมรับฟังนำไปขบคิดกันอยากสวนก็สวนกันต่อไปก็ไม่ได้ว่าเพียงแค่พูดพูดกล่าวไว้ในที่นี้ให้รั บ, ร, บรับรับทราบกันว่าทัศนคติในส่วนหนึ่งในแง่มุมหนึ่งทางพุทธศาสนาที่อตาตมาได้นาออกมาบอกนั้นเป็นแง่มุมที่ ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิทยพินิจพิเพราะหใครควรแล้วว่าหลักทางศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงพูดอาจจะพูดใช้วาจาที่ทําำหำไปบ้างรุนแรงไปบ้างก็เขาต้องขออาภัยในส่วนนี้เพราะพูดอย่างนี้มาแต่ในแตะไรแล้วอะไรก็เลิกได้หมดเลิกไม่ได้อย่างเดียวคือด่าคนเนี่ยมันยังเลิกไม่ได้ดไไดนะแตถ่ถ้าเลิกด่านี่ได้นะแต่คือถ้าเลิกด่ากคือเลิกพูดกันอย่างนี้คือเลิกสอน คือเรื่องด่านะถ้าเลืองสอนก็นคือเรื่องด่างคือไม่สอนใครแล้วก็คือไม่ต้องด่าใครถ้าถ้ายังสอนอยู่ก็ต้องด่าหากไม่ยอมรับการถูกสอนฟังแล้วโอ้ไม่ชอบหากองค์นี้พูดด่าพูดอะไรที่มันไม่ดีพูดรุนแรงก็ไม่ยอมรับการการถูกสอนก็ไม่ต้องฟังแก่แ ค, แคนี้เองเดี๋ยวจะได้รับอารมณ์ที่มันกระทบทางใจที่มันไม่ดีเป็นปฏิขับต่อกันให้ให้ยอมรับแต่มันสิ่งที่มันดีๆต่อไป ธรรมะก็สะแสดงทัศนคติในแง่มุมทางศาสนาผ่านสิ่งที่อาตมาได้พูดนี่แหละให้พวกเราทั้งหลายรับรับทราบกันไม่ได้พูดเพื่อให้ร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายการพูดทั้งหมดประกอบไปด้วยเมตตาทางกายทางวาจาทางใจทั้งนั้นมีเมตตาแผ่ไปถึงทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังรับทราบกันอยู่ในเวลานี้ก็ไม่รู้มีใครบ้างแต่เท่าที่ทราบเห็นติดตามกันอยู่เป็นประจําก็ มีครูพิมพ์คุณโยมพิมพ์พาพรเจริญพรอยูพิมพ์ครูกายครูกายเอซีพี่รู้ดูหรือเปล่าวันนี้ครูกายครูกายอเจริญพรโยมครูกอยู่ออกเจริญพรโยมแมวโยมแมวเจริญพรโยมโยมหมูโยมหมูอยู่ปฐุมติดตามตลอดโยมเจริญพรโยม โยมบุญิสาที่รับชมอยู่จารพนพรโยมแกที่รับชมรโยมแจดูดูอยูะมชื่ออะไรอันใดซี่เป็นที่คนโยมใดซี่โยมโยมแอ น, นจรรญพรโยมแอนจารนพรโยมวราวันเปิอคลินิกอยู่ในเวลานี้ก็ชมอยู่แล้วก็อีกคนโคราชื่ออะไรคะชื่ออะไรโคราตาโคราดอโยมายก็ดูอยู่แล้วอาครูไตโยมาย ขอให้มีความสุขความเจริญที่ได้รับชมกันอยู่ท่านมหาถามมาว่าไอ้จนใถ่ายทอดอยู่ไหมองไม่เห็นหคะ่ะใครท่านมหาาจจที่ถามว่าไลฟ์ถ่ายถายไลฟ์อยู่แต่ว่ามองไม่เห็นหะเอาเขามองเห็นกันหมดท่านมหาทำอะไร เขาบ่งเห็นกันหมดอยู่นี่มีไหมเข้าเครื่องไหมมันเห็นกันอยู่ไหมนี่ไงก็คนคนเขาดูอยู่เขาก็เข้ามาสาธุอะไรกันมีอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วทาไมท่านมองไม่เห็นฮะอ๋อสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีใช่ จะมาใช่ไหมเนาะมีอะไรจะถามกันอีกล้เนี่ยไล้ไลออกไปอย่างนี้เท่าที่ทำได้ก็จะไล้ออกไปอย่างนี้แหละถ้าถ้ามันทำไม่ได้ก็กขอให้รู้วางงดเว้นในการไล้ส่วนมากสัญญาณการรับภาพจะ จะไม่ค่อยดีแต่สัญญาณส่งทางนี้ค่อนข้างดีอยู่นะค่อนข้างดีอยู่จากห้องสง่งดีดีจากเองผู้รับเลนะหมุนเสาอากาศหน่อยไยังไม่ถึงไม่แรงเข้าใจเลยนะเรื่องเมตตาเรื่องเมตตาเรื่องอการสวรดมนต์อย่ า, ยาใช้แต่บทสวดกับชีวิตเอานําไปสู่การปฏิบัติกันบ้าง นั้นแหละที่ที่พูดนี้ก็เพื่อต้องการให้กขาได้เข้าถึงในจุดนี้ในในลักษณะของการนําคําสอนไปสู่การปฏิบัติอย่าหยุดอยู่เพียงแค่การสวดถ้าเราหยุดอยู่เพียงแค่การสวดศาสนาก็ไม่สืบต่อมันมันก็เป็นยุติไปหมดอะไรก็ตามที่มันหยุดอยู่มันยุติมันก็บ่งบอกถึงความเสือ่อมมันไม่เจริญแล้วเรายุติอยู่กับการาวาาสวดมนต์การไหว้ชลาลัยกันนี้มาหลายร้อยปีแล้วไปพัฒนาไปมากยิ่งกว่านี้ ในส่วนที่พัฒนาก็พัฒนาอยู่โดยส่วนมากที่พัฒนาคือในส่วนของการนําไปสู่การปฏิบัติคือพัฒนาแต่ส่วนที่ไม่นําไปสู่การปฏิบัติก็อยู่เหมือนเดิมก e ีป e ีกปก็อยู่เหมือนเดิมทุกก็ยังอยู่เหมือนเดิมมั น, ม, นมันต่างจากผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินั่นทุกไม่ได้มีอยู่เหมือนเดิมนะเหตุแห่งทุกก็ไม่ได้สร้างไว้เหมือนเดิมเขาสร้างเหตุใหม่ที่จะนําไปสู่ความดับทุกทั้งมวลนั่นคืออานิสงส์ของผู้ปฏิบัติ ให้กล้าเข้าสู่การปฏิบัติกันให้วักบักอย่าหยุดอยู่เพียงแค่พิธีกรรมพิธีรีตองมันก็แค่พิธีรีตอง น, นั่นแหละไม่ใช่เรื่องของาศาสนาปดแล้วมั่งวันนี้ไม่ใครถามอะไรต่ อ, ตอไปในนี้เรียนกันมาเยอะแล้วนี่รู้กันหมดแล้ว มีดอกหรอกความยาวมันถ้าจะหยุดไปนาทีเท่านั้นนะคะเช็คดูตอนนี้ความยาวอยู่ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดในในนี้มีถามมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะมีแต่กาบ ม, มาสองตานกาบก็อยนั่นแหละถามกันมาบ้างที่อาจารย์ค่ะถ่ทอดไปสามสิบแปดนาทีนะคะแต่ว่าเช็คจากตัววิดีโอมันยี่ สแสดงว่ามันอยู่ไปช่วงมันเยะึ้อ้าวใช่ครับช่วงตายเราทำมัไม่ได้คข้บแอดมินไม่ยอมมาดูขาดตอนไหนไปก็ไม่รู้แอดมินขาดช่วงท้ายใช่ไเพราะว่าราดว่าเนี่ยทำยาว น, นนั้นขอหยุดตีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจะลองเช็คเครื่องดู